ทำให้พื้นที่มันพร้อมจะรองรับคนได้เป็นพันนะสองสามพันคนขึ้นไปรถก็จะออกประมาณ9โมงนะจากสุกโตใครพร้อมก็มาเตรียมตัวได้เลยก็ยังมีอะไรที่ต้องทำอีกหลายอย่างแต่นี่นี่เป็นงานที่เรียกว่าใช้แรงคนเยอะหน่อยเพราะว่ามันไม่ได้มีการจัดการกันมานานกิ่งไม้